ก็อยู่ในระดับหนึ่งไม่ ใ, ใช่ว่าจุนจานบุ่นวายเสียงอุตรเฮโลแล้วจะมาพูดธรรมะนี่โดยมากจะพูดไม่ค่อยออกพอพูดขึ้นไปในระดับหนึ่งใครๆบ่าเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของงานอยากจะนิมนต์ให้ท่านพูดแล้วก็ท่านพูดแบบเสียไม่ได้พูดพูดไปยางงั้นอ่ะเพราะว่ามันพูดแล้วมันพูดไม่ออกมันขยับไม่ออกธรรมะมันไม่ออก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 มันเป็นการละเทสะบุคคลแต่บางครั้งท่านพูดเสีเสียดังฟิลฟิลฮะพูดได้คล่องแคล่วแต่บางครั้งเหนื่อยอืดอาดเพราะเหตุไรเพราะธรรมะมันอย่างที่ว่านั่นนะอยู่ในจิตใจของครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนะแต่ลุงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าหาว่าอยู่ในความไม่สงบลุงพ่อเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกัน ไปพูดในที่สาธารณะบางครั้งก็ต้องเลยขอร้องอย่ามาถ่ายรูปนะอย่ามาคุยกันนะถ้าว่าใครมีกิจธุระให้ออกไปข้างนอกนะอย่าอย่เปิดโทรศัพท์นะในขณะที่ฟังทำใกล้ๆถ้าใครมีธุระจาเป็นจะต้องมีเรื่องพูดคุยให้ออกไปนอกวงการก่อนเพราะธรรมะที่จะพูดเนี่ยถ้าหากว่ามีเสียงบุ่นไบ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 นี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายอันดับแรกเราก็ต้องถูถยกันไปก่อนบางทีมันก็ให้นั่งภาวนาเนี่ยโหมันไม่สู้เลยแต่เมื่อเราพยายามโน้มน้าวพยายามหาแนวความคิดเข้ามาปรับปรุงกายว่ า, าใจของเราแล้วนั่นแหละทีนี้พอเห็นคุณค่ามันก้าวไปเองทีนี้ไม่มีใครบังคับขู่เข็นอะไรทั้งหมด มันเห็นภัยในวัตฏะสงสารอย่างที่พระพุทธเจ้าพราะแม่กูบาจารย์พูดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเนี่ยแต่ขนาดโลกการเป็นอยู่ของโลกเรามาพิจารณาดูแล้วโลกทั้งหลายเขาก็ว่าน่าอยู่น่าทัศนาน่าอยู่น่าศึกษา มีความสุขแต่เอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วเอามาวัดเอามาจับเอามาพิจารณาดูเอามาเทียบเคียงดู<ห>กับโลกที่ว่าเขาว่ามีความสุขนั้นไปคนละทิศาทางกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องของจริงเห็นของจริง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 แต่ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาแล้วร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นของอสุภะนะปฏิกูลนะอีกสักวันหนึ่งจะเท่าแก่ชรานะร่างกายเนี่ยจะสุดโทมลงไปนะผมหงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวร่างกายหลังคอมจากนั้นก็นอนตายในแผ่นดินเมือ่อตายก็แล้วจะต้องคืนอืดจะต้องแตกสลาย ดินสูดินน้ําสูน้ํำลมสูลมไฟสู่ไฟหายสาบสูญไปยังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็คือธาตุดินนะั่นแหะอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าก็ละลายกระดูกก็ละลายอีกแต่ละลายช้าไปหน่อยที่จะกลายเป็นดินร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพื่อเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่โลกทั้งโลกโดยมาก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 แต่นี้ก็ไม่ใช่ว่าดินราบเรียบแต่หดินเป็นหลุมเป็ น, ปนบอ่อเป็นถนนทอนทางน่ยแต่เนี่ยเขาพยายามเดินอย่างประคับประคองเพราะว่าถ้ามันขาดสติเมื่อไหรขาดการระมัดระวังเมื่อไหร่คอของเราก็จะกระเด็นในขณะนั้นอันนี้แปลว่าเห็นโทษกลัวต่อมรณะภัยกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายบุรุษผู้นั้น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 อันนั้นก็คงจะรักษาอยู่ได้รักษาสติปัฏฐานอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ได้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจถึงขนาดนั้นเราก็มักผลนิพพานก็คงรอพวกเราอยู่ถ้าว่าสติของเราเข้มแข็งถึงขนาดนั้นอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วจะมีคำถามย้อนขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่จัดว่าเป็นความอยากหรือ ถ้าอยากก็จะได้มักผลได้ยังไงเพราะอยากมันก็เป็นความอยากอยากมันก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งแต่ตามไม่จริงความอยากอันนี้เป็นมักในตามแนวแถวของออพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าความอยากนี่จัดเป็นมักเป็นหนทางแต่ถ้าความไม่อยากไม่อยากอะไรเลยเหมือนกับคนตายแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคนไม่มีความอยากถ้ามันหมดกิเลส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 คือสินอภรรมจาริยาแต่ศินห้าเนี่ยเป็นศินปิดอบายยปูไม่ตกนรกเพราะฉะนั้นศินห้าเนี่ยคือศินพระโสดาบันสินของพระโสดาบันคือสิลอัตโนมัติถึงจะรักษาหรือไม่รักษาเป็นศินโดยอัตโนมัติอยู่ในศินตัวเนี้ยพระโสดาบันจะมีศินห้าเป็นอัตโนมัติของผู้นั้นศิลอุปโสตก็เหมือนกันเป็นศินอัตโนมัติสําหรับอุบาสิกาลูกบาศกคนนั้น จะรักษาหรือไม่รักษาศีลแปดเป็นศีลอัตโนมัติปานาอาธินาอภ ม, มจริยามุสาสุราพิการลโภนัตจีมาลาอุจจาร์เป็นเาเป็นศีลของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในปัะตตะสรงสารเมื่อขึ้นสู่ชั้นผมแล้วก็ไปเลยนะถ้าว่าพระโสดาบันนี่จะต้องมาวกวนเวียนมาเกิดอีก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 ทั้งอิดฉาทั้งพยาบาทอาคาดมีทั้งหมดโลกกระทำแปดก็อยู่ในโลกนี้อีกโลกกระทำแปดตัวนี้ถ้าว่าเรามาพิจารณาดูแล้วถ้าพิจารณาแบบผิวเผินถ้าเราไม่มีสมบัติภระสถานไม่มียศถาบรรดาศักดิ์โลกกระทำแ8ดในเรามองดูมันก็ไม่เห็นจะมีสิ่งไหนที่มากระทบจิตใจของเราแต่เมื่อเราอยู่ในระดับ ในระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไปโลกธรรมแปดตัวนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทําให้เราเสียศูนทําให้เราเป็นบ้าเป็นบอสทาให้เราเสียอกเสียใจตกนรกหมกไหมไปมามากต่อมากแล้วเพราะเสียใจในโลกธรรมแปดมากระทบเพราะฉะนั้นเรื่องโลกธรรมแปดนี่เราจะมองข้ามไม่ได้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ชาติโลกธรรมแปดนั้นคืออะไร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 ไม่โดนมากก็ต้องโดนน้อยจะไม่ให้ถูกเลยเป็นไปไม่ได้เมื่อเราอยู่ในโลกธรรมอยู่ในโลกใบนี้ในเมื่อเราถูกโลกธรรม8ดเราควรทําตัวยังไงเราควรทําใจอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็นบอกไว้แล้วทั้งสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาให้เข้าว่าไม่พึงปรารถนาก็คือ เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเน่ยอันนั้นไม่พึงปราถนาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทำใจให้เสียอกเสียใจทำใจให้เป็นกลางเอาไว้เพราะทุกคนมันต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนในเมื่อกระทบสิ่งที่ไม่พึงปราถนาสีข้อนะ่ที่ตรงข้ามกับลาบยศสรรเสริญฉุขนั้นเราจะเสียคู่เสียคนเป๋ไปได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราได้คิดไว้ก่อน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 คือทำใจให้มั่นคงทําใจให้เที่ยงตรงพิจารณาทั้งสองเงื่อนจากนั้นด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าถึงใครจะว่าจะดา่ายังไงก็ตามพระพุทธองค์บอกว่าเราบําเพ็ญมาเพื่อสั่งสอนโลกถึงเขาจะด่าเราไม่เกินเจดวันอา น, นุนเขาจะด่าว่ากล่าวเราด่าเราไม่เกินเจ็ดวันอนุ์เดี๋ยวเรื่องจะละงับไปเอง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 พอโดนโลกธระทเข้าไปใช่ไหเป๋เหมือนงั้นเะเสียความรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นโลกสมัยปัจจุบันไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วถ้าโลกกระทำกระแทกเข้าไปทีไรเสียศูนเกือบทุกคนว่างั้นเถอดูแล้วหน้าคนไม่เป็นคนเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าโลกกระทำตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดา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 อย่าไปคิดว่าพวกเรายังไม่มีไม่มีบารมีไม่มีทรัพย์มม ส, สมบัติไม่มียศถาบรรดาศักย์ที่ให้เสียในโลกธรรมนั้นมันโลกธรรมตัวนี้ก็คือความตายเราจะต้องเสียร่างกายของเราใจของเราจะออกจากร่างเมื่อไหรเมื่อนั้นละ่ะเราจะต้องเสืออเส่อมลาภเหรอเสื่อมลาภก็คือเสื่อมร่างกายของเราออกจากใจ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 หมดลมไปแล้วนะ่ะอเป็นยังไงไม่มีใครมาบอกให้รู้อีกแต่คิดว่าต้องทุกข์แน่แน่เพราะงั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้อย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงจะตายยังไงก็ตายเถอะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะอย่างพระโมกขราที่ถูกฆ่าตายท่านก็ไม่เดือดไม่ร้อนท่านจะตายวิธียังไงท่านก็ไม่ทุกข์ต่อสิ่งเหล่านั้นถูกไฟเผา ตายถูกน้ําท่วมตายถูกคนฆ่าตายถูกอะไรก็ตักท่านจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถึงข่าวแล้วเหรอกลั่มของเรามาถึงแล้วเหรอกลั่มของเราได้กระทาในอดีตไว้สาหัสมาแล้วทําให้แก่เขามาแล้วมาถึงเราแล้วเหรออ้าวเรายินดีฮออันนี้เมื่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันแล้วท่านไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหว แต่ถ้าวันนอกจางนั้นลงมาแล้ววันไว้แกว้งไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ทําใจเอาไว้ก่อนพิจารณาเอาไว้ก่อนอีกสักวันพวกเราจะต้องได้พบได้เจอแน่นอนทางว่าพวกเราได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วถึงยังไงก็ดีกว่าพวกเราไม่คิดถ้าพวกเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนนัในเมื่อภัยเหล่านั้นมาถึงเราจะมีความทุกข์มาก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 ปัญญาเบียดเบียนอันนั้นก็เป็นมหาหันปรัยเหมือนกันทําลายล้างโลกอย่างมหาหันเหมือนกันปัญญาตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราให้มีปัญญาเนี่ยคือปัญญาสมาธิฐิึ่งให้มีปัญญาดูกายดูใจของพวกเราและก็สัจจะ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 จะไม่ดื่มโุลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งสัจจะอธิษฐานในใจว่าจะไม่ทําความชั่วในสิ่งเหล่านั้นนะอันที่ก็คือสัจจะให้มีอยู่ในจิตใจของเราไม่มีใครที่จะตั้งสัจจะให้แกเรานอกจากตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านน ะ, ะธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าและจาค่าก็เหมือนกันจาค่าในสละสิ่งของ สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จาระสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็เสียสละไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเสียสละออกไปในความชั่วทั้งหลายทั้งปวงการกระทำของเราเอาสละออกไปไม่เอาและจาระบริจาคเป็นสิ่งที่มันดีให้เกิดประโยชน์จาระเสียสละแก่บุคคลที่ควรให อันนี้ก็คนที่อยู่ด้วยกันในโลกวัฏสงสารก็ต้องมีจา่าฆะการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าอยู่ลาพังคนเดียวจาาฆาไม่จำเป็นไม่รู้จะจาาฆาให้แก่ใครถ้ามีสองคนขึ้นไปแล้วก็ต้องมีมีการเสียสละต้องมีจาคะต่อกันเน่เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคําที่พระพุทธเจ้าบัญญัติออก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 แต่ว่าจิตประเภทนี้ไม่ใช่ว่าจะสงบที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปคิดเพราะจิตประเภทนี้เป็นจิตที่มันมีปัญญาพร้อมอยู่ในตัวของความรอบครอบอยู่ในจิตดวงนั้นอีกไม่ใช่ภาวนาไปอยู่กลางถนนก็จิตสงบอรถวิ่งมาในทิศทางสี่ก็จะมาเนี่จะทํำยังไงไอันนี้แปลว่าคนไม่เคยนั่งภาวนาแล้วก็โง่อีกต่างหากแล้วอวดดีอีกต่างหากอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ เพราะผู้ที่จะทำจิตให้สงบหรือจิตจะสงบประเภทอย่างนั้นไม่ใช่สถานที่วุ่นวายเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดจิตจึงจะดิ่งเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อจิตถึงฐานอัปปนาสมาธิจากนั้นก็ย้อนขึ้นมาอุปจาระเมื่ออุปจาระสมาธิกมาพิจารณาให้เห็นร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นให้พิจารณาร่างกายในเกศาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณา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 อันนั้นมันเป็นเปลือกนอกที่สุดวงสาคนาญาติพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายดินฟ้าอากาศเงินคําทรัพย์สมบัติขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแลสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อเห็นร่างกายขนาดนั้นมาเห็นใจนะมันปล่อยวางมันรู้ที่ใจทีนี้ฮอมันเห็นอยู่ที่ใจรู้ที่ใจใจรู้รู้ตัวเองล่ะทีนี้ออ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 อันนจังที่ไหนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละธรรมะออนัตตานี่แหละที่จะทำลายล้างจิตใจล้างความรู้สึกของเราเมื่อเราพิจารณาเจ้าตัวผู้รู้เนี่ยกัไม่ใช่เรามันยังเป็นอันิีจังของไม่เที่ยงอยู่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 สิ่งนอกเหนือจากที่เราปล่อยวางนั้นแะมันสลัดขาบมันสลัดเสื้อออกอย่นงนั้นอะเหมือนเราถลกถลกเสื้อออกจากร่างกายโยนทิ้งอย่างนั้นนะทีนี้กิเลสราคะโทสะโมหะที่เราสลัดทิ้งนั้นใจของเราบริสุทธิ์เป็นทองคำร้อยปอรเซ็นต์ขึ้นมาทีนอ้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้น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 ไม่พิรณาถึงใจแล้วยังไม่ถึงนะอยังไม่ถึงต้นตอของมันถ้าพิจารณาถึงใจแล้วนั่นแนหะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่นั่นถอนที่นั่นถอดถอนที่นั่นเอความหลุดพ้นหมดจดจากกิเลสมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจนั่นแหละจะบริสุทธิ์ที่มันโกกระปรกที่สุดก็คือใจเมื่อชําระกิเลสราคาโทสะโมหะออกแล้วก็ใจบริสุทธิ์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิด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 แนวทางของพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิทําอย่างไรนี้นะแต่เตงจะเอาจริงเอาจังนะต้องนั่งที่กุฏิพราแม่คุใบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างนั้นต่อเ น, นื่องไปกันเลยกันนะนะก่อนที่ออกจากสมาธิทุกครั้งแผ่เมตตาอุทิศสวนกุศล น, นะทุกครั้งก่อนที่ออกจากสมาธิ